เจ็ดสิบมหากัปปินะวัตถุว่าด้วยพระมหากัปปินะเทระเรื่องมัททกุตชิมฤคขทายาวันข้อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสมัยนั้นท่านพระมหากัปปินะอยู่ณมัทถกุตชิมฤุขทายาวันเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นท่านหลีกร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเราควรไปทําอุโบสถหรือไม่ควรไปทําสังกรรมหรือไม่ ที่จริงเราเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงในใจของท่านพระมหากริน่าด้วยพระไัยของพระองค์ทรงหายไปณนภะูเขาคิจกูดมาปรากฏตรงหน้าท่านพระมหากริน่าที่มัททากุติมฤคทายวันเกลียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้ ท่านพระมหากรินัตถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากรินัตผู้นั่งในที่สมควรว่ากรビณัเธอลีกเล่นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเราควรไปทําอุโบสถหรือไม่ควรไปทําสังกกรรมหรือไม่ที่จริงเราเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งอย่างนี้มิใช่หรือ ท่านพระมหากรินฑ์ทูลรับว่าใช่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายพวกเธอไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาซึ่งอุโบสถเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจากสักการะเคารพนับถือบูชาซึ่งอุโบสถพราหมณ์เธอจงไปทําอุโบสถจะไม่ไปไม่ได้เธอจงไปทําสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้ท่านพระมหากรินฑ์ทูลรับ พระดํารัตพระผู้มีพระภาคว่าไปพระพุทธเจ้าข้าลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระมหากรินะเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้าแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเรืองด้วยธรรมีกถาแล้วทรงหายไปตรงหน้าท่านพระมหากรินะณมักมักกุฏชิมฤุทายวันมาปรากฏที่เขาคิจกูดเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนออก หรือโรูแขนเข้าเะนั้น